เปิดกันเปิดอบรมกรรมาฐานกันที่วัดโมตั้งแต่วันที่หกมาถึงวันที่สิบหกครบรอบสิบมือมือนีเมื่อครบรอบสิบมือมือนีพวกเขาก็สิได้แยกย้ายกันไปทำตุละหน้าที่ของเขาตามที่เขาเคยเคยทำกันมา สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สิ่งในบ่เป็นสาระบ่เป็นประโยชน์ น, น, น, ชนั้นเราก็สิเลยเลิกได้ลาได้งดเว้นจากสิ่งนั้นพ่อเฮามาปฏิบัติธรรมหรือมาเจริญสติหรือว่ามาเจริญนิพพานาที่วัดโมกมีครบกำหนดสิบมือหรือสิบวันกับมือนี คงจะได้อันใดไปหรือรู้อันใดไปหรือเห็นอันใดไปติดเนื้อติดตัวเราไปหรือติดจิตติดใจเราไปเมื่อได้เมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วเราต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติซึ่งใดที่เรายัางโบรู้โบเห็นโบเข้าใจทราบซึ่งภายในใจิตใจของเขาก็าต้องอาศัยการฝัง หรืออาศัยการดูฟังด้วยหูดูด้วยตายสิ่งหนึง่งแล้วเราก็ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นคาเป็นคุณเป็นประโยชน์แกเราบอหรือมันเป็นพิษเป็นภัยแกเราเราต้องรู้จักดนั้นที่เขาเหลืออยู่เรียกว่า เป็นคนที่หนักแน่นจิตใจหนักแน่นถ้าพูดอีกอย่างหนึองว่าเป็นคนที่ผ่านจากการคัดเลือกมาเฮาได้คัดเลือกมาแล้วถือว่าเฮาเป็นคนดีพอสมควรถ้าพูดอีกว่าถ้าเตรียบเป็นข้ากันแล้วเป็นเข้าถทีหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ บทเป็นข้าหักบทเป็นข้าที่สองที่สามและบทเป็นแก่บทเป็นหำเป็นข้าที่หนึ่งมีวิตามินมาอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นผู <c oughs> ทีจะหนักแน่นรู้แจ้งเห็นจริงตามสัจธรรมหรือธรรมธรรมะที่พระิเจ้าตัดหรือทรงซีเอาไว้นั้น น้อยคนในโลกนี้แต่ธรรมะที่พระเจ้าส่งซีหรือตัดไว้นั้นโบได้หายหนีไปจากโลกนี้คำว่าโลกนี้กับมีหลายโลกดินฟ้าอากาศโลกคือมูสัตถ้าโลกคือดินฟ้าอากาศนั่นกับคนเราเกิดมากบมาประสบพบเห็นดินฟ้าอากาศ ถ้าคิดเป็นโลกอย่างโก่งขว้างโลกคือมูสัตแล้วมันมีทุกประเทศคำว่าคือมู่สัตจะเป็นงวเป็นควายหรือเป็นหมูหมาเตษไก่สางมาอันนั้นหมู่สัตตลอดหมดพวกทุกสิ่งทุกอย่างและแมีงไม้มุนีเป็นสัตว์ทั้งนั้น อันนั้นเป็นโลกส่วนทีมเห็นข้างนอกโลกคือมู่สัตว์เขาคนหนึงเป็นหมูขของสัตว์อยู่ในจํำพวกสัตว์ดังนั้นมันจึงมีการสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างซีแต่บ่ได้หมายถึงรูปนี้เป็นการสลับสับเปลี่ยนอันรูปคนนี้มันเป็นอย่างสีอยู่ตลอดเวลาและรูปสัตว์มันก็เป็นอย่างซีอยู่ตลอดเวลา เพราะว่ามันเป็นการสืบเนื่องกันมาหรือต่อเนื่องกันมาเป็นพืชกันมาอย่างสั่ว์คำว่าสัตว์โลกคือมูส่สัตว์ในทีนี้ที่มันเกิดอยู่ภายในใจิตใจอีกเพื่อนห น, นึ่งแล้วคนกับสัตว์นั้นมันครึ่งกลางเฮาจี้ให้มันเป็นสัตว์ก็ได้แย้เป็นคนก็ได้เรียกว่ากึ่งกลาง คำว่ากึ่งกลางนี่ยู่ตรงกลางเขาจะหันไปทางใดเขาจะหันไปทางเป็นสัตว์หรือหันไปทางเป็นมนุษย์คำว่าคนนี่มันยู่ตรงกลางแล้วคนนี่หมายถึงมีหลายอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าคนพูดอีกอย่างหนึง่งตามภาษาบ้านของผมหรือบ้านของหลวงพ่อว่าคนคือกวน คือเขาเห็ดราบบ้านอย่างฟเห็ดราบป่ากันน่ะคนเข้ากันมีมะพร้กวมะเขือมีเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างแหละเอามาคนเข้ากันให้เป็นเนื้ออันเดียวกันกนีน่ว่าคนหรือคือปนคือออกคือแกงนี่แนหะเอาไปผ ส, สมใสไหนหม้อหรือในที่เขาคนเข้ากันนถ้าเป็นลาบเป็นปน บ้านเนี่ยพอครับม่ามีเนื้อเน้น้อยมาปนมาตาให้มันมุนไว้ให้มันมีเนื้อมีตอนให้ได้ให้เป็นเนื้อลดเนื้อนั้นมันเข้ากันกับอาหารเ่านั้นถ้าเป็นออดเป็นแกงนั้นมีตอนอยู่มีตัวอยู่เป็นผักเป็น้าจับได้อันนี้ฉะนั้นคนนี้พอปานกันครับลาบเนือปนเนื้อเข้าหนุ่มเส้นข้าปุ้นเข้าหนุ่มกิน คนเขากันนะสกลเขากันวัน น, ะ น, นี้มนุษย์เบอนเนี่ยต้องเป็นตอนเป็นตัวได้พัฒนาออกมาจากคนะนะ น, นั้นเขาหน่มเส้นเขาหนุ่มจีนเขาพุ่นนั่นกะทีแรกต้องเป็นอ็ดเลสอยู่เป็นตมเป็นเหมือนกับโหนกับตมอย่งเอามาเขาเครื่องเอาไปปั้นให้เป็นเส้นลงได้ อันนี้เรียกว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นี่หมายถึงบุคคลผู้มีจิตใจหนักแน่นและพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้บไม่พัฒนาไปข้างต่ำไม่พัฒนามาข้างสูงอันนี้เป็นภาคทฤษฎีข่มเบาซื้อได้เวามานี้บ่มยัมบดหันเมีนภาคปฏิบัติเถิอภาคปฏิบัติมันอีกตึมเรื่องหนึง่ง อังควมวอานี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งฉะนั้นเหาฟังกันหลายมือตั้งแต่มือวันที่หกถึงวันที่สิบหกตอนเศารมือนี้มีหลายรถมีหลายครูบาอาจารย์ที่มาให้ข้อคิดความเห็นเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจของพวกเขาแต่ละองค์แต่ละท่านนั้น ท่านก็ได้กันได้กองมาจากความคิดหรือมาจากจิตใจใหญ่ท่านเอามาให้เห่าอมาว่ายให้เห่าได้ยินได้ฟังเหาก็คอยรับเอาฟังฉะนั้นคนเห่าทุกคนนั้นเปรียบอุปมาให้ฟังว่าต้องเป็นขันเป็นภาชนะที่ดีคําว่าขันกับภาชนะนี่มันความเดียวกัน ภาษาก็หมายถึงว่าพาเขาที่เขาจะกินนั่นเนี่ยภานะรองรับเอาอาหารคําว่าขันกระมายถึงเครื่องไซ้อเอาไปตักขันตักนี้ได้ตักน้ํากินก็นได้เอาไปให้ขันตักบาทก็ได้นี่คําว่าขันอีกอย่างนึงขันก็หมายถึงธาตุซี่นี่คําว่าธาตุขันก็ะมายถึงขันห้าเนี่ยมันหลายคําพูดนั่น ธาตุซีกได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขันนี่ได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นเครื่องหลองหลับฟังที่ครูบาอาจารย์นำมาซีแจงสแสดงให้เขาฟังนั้นเขาต้องตั้งใจฟังเป็นภาสนะที่ดีและเป็นขันที่ดี บวให้เป็นภาสนะที่สุกปกบยมันแตกมันหัวขันก็ให้เป็นขันที่ดีอย่าให้เป็นขันแตกขันหัวขันสุกปกเมื่อขันแตกขันหัวขันสุกปกแล้วภาสนะแตกภาสนะหัวแล้วจะรับรองอนามโมได้มื้อนี้ก็บค่ายค่ยคือกัน ที่ผมหรืออาตมาจะได้มาให้ข้อคิดเมื่อนี้เป็นครั้งสุดท้ายตอนเศร้าเมื่อสันเศร้าแล้วขเขาก็จะได้แงกยายจากกันไปอย่างสีวานันแหเะแนะนำเอาไปใส้กับชีวิตของเขาเขามาปฏิบัติธรรมนี้ข้อแรกเขามาทำเป็นพธิธีคือพลิกมือขึ้นข้อมือลง ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้อันนี้เป็นวิธีที่ฝึกคนยมวัฒน์เคยรู้สึกตัวเองคนบกเคยกำหนดตัวเองคนเราเกิดมาแล้วบกเคยฝึกตัวเองบกเคยกำหนดตัวเองเคยฝึกแต่ผู้อื่นเคยกำหนดแต่ผู้อื่นดังนั้นพวกเขาจึงมาหาวิธีเป็นวิธีการขึ้น คนไม่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยบทเรียกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั้นพันว่ากายญาณุปณัสฐานาให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ ก, กายกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเป็นสภาวกายสื่อ เวทนานุปัฏนาให้มีสติเขาไปกำหนดรู้ในเวทนานั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บคุคคลไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสภาวะเวทนาเท่านั้นสื่อจิตานุปัฏนาให้มีสติเขาไปกำหนดรู้จิตของเราจิตในจิตจิตนี้เป็นสภาวะจิต ไม่ใส่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใส่ตัวไม่ใส่ตนไม่ใส่เราไม่ใส่เขาทำมาโนปสนาทำนี่ก็เป็นสัจธรรมซื่อให้มีสติเข้าไปกลมกลนรู้ไม่ใส่สัตว์ไม่ใส่บุคคลไม่ใส่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เขาไม่ใส่เราไม่ใช่เงือนอันนี้เป็นตำลาเขียนไว้เต่ส่วนผมสิ อามาวอยฝั่งนี้ให้มีสติเขาไปกำหนดรู้ที่แรกนั้นยืนเดินนั่งนอนที่อย่างนี้ให้มีสติเขาไปกำหนดรู้ความไม่รู้นั้นมันจะคอยหนีไปเรียกว่าเขามาเบิ่งตัวเขาอันรู้กับเห็นเป็นอันเดียวกันรู้ซื่ อ, อโบเห็นอันนึงบรู้จักรู้ไปนอกคุณซื่อว่าคนลื่นตัว และอินเดีบทย้อยลงไป ค, คู่คู่แข้งคู่ขาเนี่ยเยียดไหวเนื้อไหวตัวเนี่ยคู่เยียดเคลื่อนไหวคุณว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอินเดียบทส่วนนั้นอันนี้เป็นวิธีที่เขามาฝูดกันอยู่นี่และผู้ที่ยังบกเข้าใจเขาก็เลยมาหาวิธีให้ว่า พิกมือขึ้นให้มีสติกำหนดรู้หัวมือลงให้มีสติกำหนดรู้วันนี้ลุกขึ้นเดินหน้าถอยหลังให้มีสติกำหนดรู้ป้มเงยให้มีสติกำหนดรู้เอียงซ้ายเอียงขวาให้มีสติกำหนดรู้พิปตาอ้าปากให้มีสติกำหนดรู้ หายใจเข้าหายใจออกให้มีสติกำหนดรู้กึนน้ำลายผ่านลงไปในลําคอไปท้องเนี่ยให้มีสติกำหนดรู้มีสติเข้าไปกำหนดรู้แล้วควมไม่รู้มันหายไปหายไปเหมือนกับผ้าที่เหาจกปกุผ้าที่จกป ก, ปกุกแล้วเห่าเอาน้ําแล้วเอาพง ไปโกยใส่กันหรือไปทอกนั้นแล้วเอามือไปควนเขาพงน้ำมันล้าลายแล้วเอาผ้าที่จุกขูกนั้นไปวางใส่เรือไปคันมันเข้ากับอันนั้นไปซักกวาว่าได้ไปแซ่ไรหันพงนั่นแหละมันจิบไปทําควมลื่นหรือควมมื่นควมอันไดไปขัดออกกวาว่าได้จะขัดบบเมนส์ซึว่าเอามือเอาแควไปขัด คือมันจะไปทำควมลื่นควมมืนมืนกับลื่นกับเมือกนั่นอันเดียวกันมันเป็นสมมุติออกสิ่งที่สกปกนั้นมันจะออกจากผ้าของผ้าที่สะอาดไปก่อนเอาสซเปน็นนานๆมาเลยสุกปกต้องใส่ผงออกไปอันนี้ก็คือการที่เขามากาหนดรูนี่ก็คือการควมไม่รูนั้นเพิ่นเรียกว่าโมหะ ขมรูนี่พูนเรียกว่าสติหรือสมาธิหรือปัญญาเนี่ฉะนั้นสมาธิแบบที่หาคำนี่จึงโบต้องการบต้องเกี่ยวข้องกับไปนั่งหลับหูหลับตาและวิธีการอื่นๆทั้งหมดสมาธินั้นหมายถึงการตั้งจิตตั้งใจทำการทำงานเรียกว่าพูด ทีงว่า ส, สติหรือว่าสมาธิหรือปฏิบัติธรร ม, มะแบบที่เขาฝึกหัดกันอยู่ดีนี่นี่เอาไปใช้กับการกับงานได้ไปใช้กับลูกกับหลานได้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าหากมีลูกมีผัวอยู่ก็ไปใช้กับลูกกับผัวกับค่อบกับผัวได้ผู้เป็นครูโรงเรียนก็ต้องเอาไปใช้เป็นครูโรงเรียนสอนนักเรียนได้ผู้เป็นนักเรียน ก็ต้องเอาไปใส้กับตัวเองกำลังไปเรียนหนังสืออยู่ได้ผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ต้องเอาวิธีนี้ไปใส่กับการกับงานได้หรือผู้เป็นตำรวจทหารก็ต้องเอาวิธีอันนี้ไปใส่กับหน้าที่ของเขาเป็นตำรวจทหารได้หรือผู้เป็นพ่อค้ากรรมกรแบกผนก็ไปใส่ได้ทุกคนทุกเง่ทุกมุม แม้ผ้าทรงองค์เนนเขาก็เอาไปใส่ได้อภิบาลกับงานได้ทุกคนเพราะว่าการเคลื่อนไหวนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องศึกษามันจริงๆเรื่องนี้ที่การเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาพลิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออก คือ น, น้ำลายผ่านลงเป็นลำหอนี่อันนี้คนอื่นมองเห็นอั น, นเป็นเปลือกมันเมืองกับต้นใหม่ต้นไม้ต้องเป็นเปลือกต้องเห็นเปลือกมันก่อนส่วนจิตใจนั้นคนอื่นมองบนเห็ น, ม, นมันลึกเข้าไปเป็นซั้นเป็นซั้นก็อย่างสิบวันนี้ส่วนกายหนาปมีรูปหนาคนมองเห็นนี้เขาฝึกได้แล้ว การทําการพูดบ น, นี้การคิดนั้นเขาจะได้ฝุดไปเมื่อเขารู้เปลือกมันเขาจะได้งดเวรเพราะเขารู้แล้วได้บบ น, นี้มันจะเกิดกลมรู้ขึ้นมาเขากำหนดตัว น, นี้มนเกิดวามรู้สติมีแล้วปัญญาเกิดมาลูดส่วนสมาธิสติปัญญานะีมันมันอยู่บ่อนเดียวกันกับว่าได้หรือว่า มันเป็นคืออันเดียวกับอะไรหรือเป็นมู่เดียวก็ได้มันเกิดปัญญาลูขึ้นมาคือลูลูรูลูนามนี่เองหู้จากรูปจริงๆรู้จากน้ำจริงๆบุ๋มเนรูปอยู่ในแบบกระดาษหรือเขาวาดภาพขึ้นมา น, นั้นบนุ๋มแหม่นิรูปตัวเฮานี่เด้ที่เวานี่อันรูปภาพนั้นบ่๋มแม่นอันนั้นบุ๋มเนรูปเป็นภาพรูปน้ำได้แก้ตัวเฮานี่รูปน้ม รูปทำนามทำได้แก่ตัวเห่าทั้งนั้นรูปโลกนามโลกได้แก่ตัวเห่าทั้งนั้นแล้วเหาไปวินิสัยเ อ, เองที่วอยฟังมานี่เมื่อรู้จักอย่างนี้แล้วก็รู้จักทุกทุกนั่นก็เรื่องรู้จักนันกน็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกขังอนิจนาานจังอนาาัตตานั้นเป็นว่าผมงอกฟันหักมันเป็นอนิจจังทุกขังนั่นก็หมายถึงนั่งนา น, น, าน หรือเจ็บหัวปวดท้องเจ็บแขงเจ็บขาอันนั้นแมนอยูโบเมนปัญญาเห็นอันนั้นเห็นด้วยคำพูดเลือกจำมาจากผู้อื่นที่ผมหรืออาตมาเข้าใจมาทุกครั้งอนิจจังนัตต า, านั้นหมายถึงการเคลื่อนไหวในเรียบท น, นเลยในเรียบท น, นเป็นตัวทุกทุกปละทนไม่ไหว อันนี้จังแปลวาไม่เทียงอนัตตาบังคับบรรชาไม่ได้เนี่ยรู้จักฉะนั้นอันนี้เป็นเปลือกของมันเห็นตอนแล้วก็รู้จักสมมุติโดนไปเดียวสมมุติในกอในขอสมมุติศาสนาสมมุติพุทธศาสนาสมมุติทั้งนั้นวัดมาอารามโบสถ์วิหารสมมติทั้งนั้นพระพุทธรูปนี่สมมุติทั้งนั้นที่เทวดานี่สมมุติทั้งนั้นรู้จักจริงๆเรื่องนี้ หลวงพอรู้จักจริงๆแล้วก็รู้จักศาสนาศาสนาคือคนเปเนี่ยตัวคนนั่นตัวศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนสอนคนสอนเข้าหูนี้ผ่านเข้ามาในแมงสมองนี่ศาสนาศาสนาแล้วคําสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนานเป็นี่ยพุทธะแปลผู้รู้ รู้มาด้วยจิตด้วยใจรู้มนด้วยสติปัญญาจริงๆเห็นแจ้งจริงจริงอันนี้เดี๋ยวพุทธศาสน า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาคือคนทุกคนปัญญาพุทธมีอยู่แล้วในคนทุกคนเมื่อพูดถึงว่ามีอยู่ในคนทุกคนก็อุปมาให้ฟังอีกเตือนหนึ่งเมืออกับพืชทุกเม็ดจะเป็นเม็ดมักแปงมักโมหรือเม็ดข้าวก็ตามหรือเม็ดมักมี่มะม่วงก็ตาม ห้าเม็ดใดมันอ้วนมันเต็มนั้นมีเสือทุกเม็ดเอาไปพอไปปลูกออกทุกเม็ดแตกขึ้นมาเป็นต้นเป็นลาเป็นมากเป็นผลขึ้นมาอีกตึ้งเธอ น, นึงได้กินตึน้งเอหนึ่งต่ว่าคนทุกคนสามารถที่จะทำตนของตนเป็นพระเดียเจ้าได้ทุกคนไม่ยกเว้นอันนี้เปรียปัญญาพุทธะพุทธาศาสนามเป็นอย่างนี้บาบมันนี้บาคือเขาบม่รู้ เขาบวเห็นเขาโง่เขาลืมตัวบาปมันอยู่นังซี่บาปคือมืดวันน้อยบุญบนนี่ยบุญเมื่อรู้แล้วดีใจบ่มีทุกบนไี้อันดีใจกับใจดีกับคนอ่านกันอีกซึ่งละเหมือนกูเป็นอันเดียวกันดีใจซื้อกูเป็นใจดีเมื่อดีใจรู้แล้วนังซีเลยงู้จว่าที่ก็สมมติ คือคนทำตัวพูดตัวคิดตัวเขาเอื้อนเงาผีใครไม่พูดสายเขาเอื้อนบักผีใครไม่พู้หญิงเขาเอื้อนอีผีว่าฉันคนทำตัวพูดตัวคิดตัวมันนี่ใครเป็นพระไม่เนนได้บหมเนี่ยพระเนรก็จะเป็นพระทีเนรผีคือกานทิพน์มันนี่ใครเป็นคนจีนได้ไัมเนี่ยคนจีนก็เป็นผีคือกัน่ะผีนั่นจึงมีทุกชาติทุกภาษา ทุกเพศทุกวันอันนี้ศึกษาแบบนี้ดังนั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้นจึงบดจำขัดสันวัน้นะวิสาขุรูตะกูลจะถือศาสนาใดกตามสางนุ่งผ้าสีอันใดก็ตามาเป็นคนชาตใดภาษาใดกต า, มางมีแล้วส่วนสติปัญญา ที่จะทําให้เป็นพระเรียบุคคลมีอยู่ในคนทุกคนจึงไม่จํากัดพวกคือศาสนาอื่นศาสนาอื่นๆนั้นถือศาสนาอื่นแล้วที่มาเขาศาสนาอื่นนั้นต้องเลิกละจากศาสนานั้นใดเศาสนาพุทธนีบ่บอกบอต้องการอย่างนั้นว่าแต่ให้เจริญสติแบบนี้มันเลิกเองเห็นทุกได้จริงๆแล้วนี่เมื่อเห็นทุกแล้วก็เลิกทุกรเลยบนเดียว พอเห็นเนี่ยเซนมากผูบุรีสุลากันซาเฮโรอินฟินเทอนเล่นกั น, น, นันันเลิกได้จริงๆเพราะรู้จักสมมุติแล้วนำทุกมาให้ผิดคำสอนของพระเจ้าเป็นอบา ย, ยมุขหมงเลิกจากอบา ย, ยมุขัคเมื่อเลิกจากอบา ย, ยมุขแล้วก็บโบธม์สัวโบกูดสัวโบคิสัวอันนี้เป็นมนุษย์แล้วนี่ นี่เป็นมนุษย์มันอยู่ที่ฉะนั้นคนนี้มันจึงอยู่กลงกางส่วนจิตใจนั้นผู้อื่นมองวิเห็นอีกตืมแล้ววันนี้ทีเห็นได้เฉพาะในหัาผู้เดียวเมื่อจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาทีแรกเขาจีวิเห็นเขาจิรูซ้ซื้อคำว่ารู้นี่หมายถึงตัวสติปัญญาเขาเข้าไปอยู่ในความคิดเหมือนกับพืด อยู่ในเม็ดอยู่ในเม็ดเขาคือว่าเขาเสื้อของเขานั้นอยู่ในเม็เเขาขนาดวันนี้เขาเป็นลงดินเพราะเขามันแตกขึ้นมาเป็นนอออกมาข้างนอกอันนี้คือการเมื่อเขามากําหนดรู้ความคิดแบบ น, นี้มันคิดขึ้นมาากําหนดรู้ความคิดในที่ออกจากความคิดในอีกตึกระหนึง่งอันนี้จิตในจิตทำในธรรมอันนี้นี่มันฝึกเซียงซี่พอดีมันคิด เราเห็นเรารู้เราเข้าใจเมื่อนกับพืชที่อยู่ในเม็ดหมักมีมักเม็ดหมักม่วงที่แรกมันเป็นเม็ดมักมีหมักม่วงนี่มันเอาไปลงดินมันแตกออกมาข้างนอกเม็ดมักมีเม็ดหมักม่วงนั่นมันเป็นรูปหนึ่งต่างหส่วนพืชมันทิ่ทาเป็นเสื้อเม็ดออกมานั้นเป็นอันนึ่งอันหึงต่างหากฉะนั้นตัวที่มันกําหนดรูนี่เนี่ยมันจะออกจากโถมรูนั้น อย่างที่ผมหรืออย่าพอวายฟังให้ออกจากถ้ำอย่าไปอยู่ในร้มออกจากความคิดอย่าไปอยู่ในความคิดวายหรือออกจากในห้องนอนเขาอย่าไปอยู่ในห้องนอนหันออกจากมุ่งอย่าไปอยู่ในมุ่งวาไปเพื่อเตือนจิตสกิดใจให้เขามีปัญญาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจสิ่งนั้นเมื่อเขารู้ซื่อบทเป็นเห็น อันนี้เรียกว่ า, าวิชาอั น, นเป้าความไม่ไปแล้วอันนี้เรียกว่ า, าวิชาอาวิชาแปลว่าไม่รู้บุมเมนซีว่าโบลูโบการทํามาหาจินหาเงินหาท้องหรือรูรปลูกบ้านแจงเงิ น, นบุมเมน ร, รู้อันนั้นรู้อันนั้นเป็นเรื่องโลกโลกอั น, น, นตัวโลกนั้นที่ว่ามีหลายอย่างให้รู้เรื่องนี้ ให้รู้เรื่องความคิดมันเกิดขึ้นมาวู้กเดียวเห็นรู้เข้าใจออกจากความคิด น, นั้นใดได้เมื่อออกจากความคิดอันนั้นเหมือนกับพืชมันแตกออกมาแล้วเป็นเม็ดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือการคันออกจากความคิดนั้นได้แล้วออกทุกครั้งทุกคราวไปพอเดี๋มันคิดปุ๊บออกมาเลยอันนี้เราเห็นสภาพหรือสมุธฐานต้นเหตุกําเนิดที่เกิดของทุกอยู่นี้ เหมือนกับไฟฟ้าเขาต้องการไฟฟ้าเขาต้องศึกษาหาสมุติฐานต้นเหตุของมันถ้าหากคนบูศึกษาหาสมุติฐานต้นเหตุกำเนิดของไฟฟ้านั้นต้องการขมสว่างเราที่ไปจับเอารถไฟฟ้าหมุนรถไฟฟ้านั้นจุนตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย ลอยซาดแผนซาตดมื่นสาเฉินซาตดข่มสวา่างโบไปเฉยเพราะที่นั้นมันโบมีสมุทฐานต้นเหตุกําเนิดที่เกิอของไฟอันนั้นมันต้องอยู่สวิกพีเมื่อเขาต้องการข่มสว่างเขาต้องมาจับสวิกตีจับสวิกปั๊บมันไปทำข่มสว่างอยู่ในหลอดคุนอันนี้ก็คือการข่มโก้ข่มโล ไม่ได้มีเลยมีแต่เพียงคมหลงบนนี้ซื้ อ, อเมื่อทำามเห็นที่นี่แหละมีสติมีสมาธิมีปัญญามาอยู่ที่นี่แหละถอนออกจากที่นี่แหละห่มพุกประเทศนี้ทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นมนุษย์ท่านมาแล้วได้เข้าเครื่องกลองมาแล้วเลิกการไว้ทีบัด น, นี้มาทำคมเห็นแจ้งตอนนี้อีกตืม เป็นผ้าและแบบนี้เป็นที่ตรงนี้เป็นผราอันพระอย่างที่แถ่หัวโอลคิ้วนุงผ้าเหลืองมีเป็นผระสมมุติอันนี้โบเมนเป็นตัวจริงตัวจริงต้องเป็นตรงนี้ดังนั้นพระประเจ้าว่าผรานั้นหมายถึงผู้ประเสริฐวันที่ประเสริฐเป็นอย่างไมันบาบอดมันเป็นพืชขึ้นมาได้เพาะขึ้นมาได้ตืม โบไม่กินแล้วหมดสุดดีทิ้งไปซื้อนั่นโบแม่กินแล้วไปพอไปปลูกอีกตืมแล้วก็เป็นพืชขึ้นหม่อีกตืมให้ลูกให้หลานซื้อสาวกันไปดังนั้นคำสอนของพระเจ้าจึงว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดให้หาหาภานะที่ดีขันที่ดีรองรับเอาไว้ควมเป็นพระนั่นหมายถึงมันเบาขึ้นมา เบาจิตเบาใจบบบ น, นี้เป็นลักษณะใจดีแบบนี้บ่ญไม่ดีใจแบบนี้คําว่าใจดีกับดีใจนั้นต่างกันใจดีนี่เป็นอย่างไงใจดีนั้นไถซีว่าแสดงความจาสร้างแล้วเรื่องของเขาเพราะเห็นทุกข์ทางใจแบบนี้คนมันมีทุกข์มันดูด้วยทุกข์มันกินด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ ทำไมรถกินด้วยทุกข์คนก็ทุกข์ในบังคับให้แคมมาบังคับให้ดูดยาบังคับให้กินเล้ากินสุลานะบังคับให้เล่นการพนนั้นบังคับให้สูบ ก, กัญชาเฮโรอีนทุกทั้งนั้นเขาจะได้เห็นตัวนี้พี่เขาออกมานอกพี่เดี๋ยวนี้ออกจากความคิดเขาเดี๋ยวนี้แบบนี้นี่ยคันเมื่อได้นนออกจากความคิดอันนี้บัวใดเขาจะบัเห็นทุกข์ส่วนมันลึกเข้าไป เห็นว่าโอ้สึ่งมีเป็นทุกเด้ทุกมันอยู่ตัวนี้เท่นันกิเลสนั้นมันจึงว่าทุกจริงๆรแล้วเบื่อหน่ายจริงๆริงนะบุญมาคือว่าเพิ่นว <ONA> ่าในตำราเพิ่นมากระบออมมาวาก็ได้เพิ่นลาวิมุตเตวคุงดุพน่ะบาวากะได้เพิ่นมาอันนั้นเป็นตำราเ ทีเนีย่ยพอปฏิบัติเนยพอเห็นจังสีดูจังสีเข้าใจจังสีเนีย่ยพอจึงกล้ายืนยันรับรองคําสอนของพระเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยมรรคผลมิภานไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่ที่นี้เลยเข้าใจอย่างสั้นฉะนั้นทุกนั้นจึงไม่ได้มีเขาหลงซื้อเขาหลงเข้าไปยุ่งในมันซื้อเม็ดพืชนั้นมันจึงอมเขาไว้ออมอมพืชมันไว้ แล้วคันวอลนี่ก็เข้าใจแล้วผู้มีปัญญาเม็ดเข้าเนี่ยโตเข้าจี้ออกพืชมันอยู่ในกาบมันกาบเขาเปือมันอมไว้หรือเม็ดมักมีมักม่วงก็คือการมันอมไว้เบือกมันอมไว้ฉะนั้นเขาจึงโ่เคยเห็นผมคิดเขาบม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวของเขาฉะนั้นเขามาฝึกหัดมาอบรมนี่มาทำความรู้สึก เมื่อมีความรู้สึกแล้วความไม่รู้มันจะคอยเอาผงยี่ห้อใดเอาน้ำบ่อใดามาซักซักบอ่อใดเรื่องจิตเรื่องใจมันต้องเอาสติเอาตัวปัญญาออกมาซักจริงๆซักฟอกจิตใจหรือบวมน้ำอันเสื้อผ้ามาเปียบสมมุิ ซ, ซื้อตัวซักจิตซักใจนั้นตัวเรียกรองเอาความรู้สึกนี้ มาไลมาสักออกเมื่อมีความรู้สึกเหลือความไม่รู้สึกมันมันหายไปเองเมื่อไงกับอย่างที่ผมวาหรือย่าพวานั่นเนี่ต้องการควมสว่างศึกษาหาต้นเหตุสมุทฐานของมันจริงๆเมื่อเราศึกษาหาต้นเหตุสมุทฐานของมันแล้วเรารู้แล้วต้องการควมสว่างจับนิโรธต้องการควมมืดจับนิโรธนี่ของหู้จังเต้ บัณฑิตเขาต้องการขัวบุมีทุกบัณฑิตเขาก็จับตัวนี้ทุกันบุได้มีแล้วบัณฑีตเอ้ยต้องการแล้วบัณฑิตต้องการคนทุกคนดับตัวนี้มันก็มือเข้ามาแล้วไในเห็นอย่างนี้อันนี้แปลว่าสัจธรรมสัจจะแล้วของจริงของแท้มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนเป็นวาสนบุญเปนไหนหมักหัวใจเลยนมักหัวใจแล้วมันอีกตื้มจิตใจมันอันนึงอีกตื้มเนย อันนี้ให้เขาจดจําและพิจารณาให้มันแน่นอนถ้าหากพวกเขาบ่จดจำํำบ่ไปประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วมันโบนเอนอนฉะนั้นการกระทําอย่างนี้ไหเฮ็ดแทนโบได้ครู <c oughs> คบาอาจารย์สอนซื้อๆเฮ็ดแทนโบได้พ่อแม่สอนลูกก็สอนซื้อๆลูกสอนพอ่อสอนแม่ก็สอนซื้อๆเฮ็ดแทนกันโบได้ ส่า น, นการศึกษาเราเรียนนักทำตีนักทำโถนักรรทำเพลเมื่อบุมาฝึกอันนี้ก็ดีอยู่ศึกษาเนี่ยบุษมันบุดีมันเป็นเปลือกมันมันเป็นกระพีมันมันเป็นสเก็ยมันบุนเป็นเนื้อแท้สมมุติให้ฟังอีกตึมเถินึง น, น้นาําแข็งน้าพวกวิทยาศาสตร์เขาเอาน้ํา ม, มาทําให้เป็นก้อน เขามีอันใดที่ผสมกันมันก็เป็นก้อนขึ้นมาได้เป็นก้อนขึ้นมาแทบมันบ่นมในน้ำแท้ๆด้น้ำแท้ๆแล้วเขามาถึงมาผสมแล้วเมื่อเป็นก้อนน้าแข็งเขาไปวางไว้ให้ถูกแดดถูกลมน้าแข็งก็ละลายเป็นน้าไปเหมือนเดิมดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนนักทำตีนักทําโทนักทำเอกนั้นกะคือกันเรียนแล้วทีแก้ทุกได้บ็บรดได้แก้บอดได้ เขาทำบุญบ่นเนี่ยเฮ็ดอัฐากันถิ่นบางสกุลพระป่าแก่ทุไดบอกแก่ใดสัวข่าวดีใจซื้อๆมันแก่บุไดแน่นอนแ ม, มตลอดการจำสิน้นวันพระวันเจ้าก็คือกันมันเป็นเปลือกมันเป็นกระพี่มันบนเป็งแกนแทนบนเป็นใจกลางฉะนั้นดียูสิวบสดียังไง เพียนไฝ่โลกจนได้ปริยามาว่าเป็นคนสั้นปัญญาได้กลั่นขรองคัดเลือกของมาแล้วบุคคลที่จิตใจเข้มแข็งเล่าเรียนมาได้มาแต่ผมทุกแบบนี้นั้นมันโมยานโกลัวมันโมนโยานโมขัวไผลทั้งหมดนะถ้ามีคมหลงแล้วโตโทซาโลภะนี่มันโบยานแผลทั้งหมดมาาต่ขอให้มึงหลงแล้วก็แล้วกันมาท่าน ปู่จะเข้าไปตบหน้ามึงบัดเดียวเลยเนี่ฉะนั้นข่มหลงนี่ทางธรรมะเป็นเรื่าโมหะโมหะแปลว่าข่มหลงันโทสะแปลว่าข่มโกธรโลภะแปลว่าข่มเปลี่ยนแปลงจิตใจอยากได้ของอุดันปูนีหรืออยากได้เนี่ยข่มยา ก, กว่าสังขารได้ฉะนั้นข่มโกธคว่มโลภข่มหลงมันจึงโบยยานคนมีเงิน มันจึงโบยานเจ้าหัวไอจัวที่สมมุติมานั้นมันจึงโบยานผู้มีอํานาจอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านคำนันตำรวจทหารรัฐมนตรีมันก็บอยานมันโบยานใครทั้งมัดมันยานผู้ใดสนมันยานผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือมันยานพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันยานทั้งนั้นโบมินแสดงตนว่าเจ้าของเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามาบวชแล้ว ว่ากิเลสจําพวกนี้มันพิยานโอยมันบุญยานแล้วมันตบหน้าได้แต่แท่นนะตบหู่มันตบได้ทุกทีทุกมุมมันบุษเสือเอามือตบละนาได้บางทีมันจะเอาสนมันไสก็ได้ซอกมันไสก็ได้เข้ามันไสก็ได้นั้นได้ทุกแง่ทุกมุมอันนี้จึงว่าเขามาอยู่นี่คัดเลือกกั้นกองมาแล้วที่เหลืออยู่นี้ คนที่โบราณได้คัดเลือกบราณได้คัดได้กองเหมือนกับแกบกับหั่นั่นแหละไปแล้วมันก็ปิวไปไง่ายๆแต่นั้นสมมุติให้ฟังตื่เต็มทหนึ่งเอาเฮ็ดนาเอาเฮ็ดนาเลี่ยวไปทงนาเอาเขามานยันมันสุกมาเรื่องอาลามตามทงให้ทงนาเอาเมื่อเอาไปหมอ้อไปเกี่ยวไปตัดออกมาแล้ว เขาจเก็บเอามาในบ้านเขาเขาเจ้าเม็ดหนึ่งสิอุนอ้วนนั้นมีน้อยหรือไม่มีเสียเลยก็ได้เขาเหนียวเม็ดหนึ่งออ้วนที่มีวิตามินดีๆนั่นมีเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดหรือกี่โบมีก็ได้เป็นเข้าวผีเมืดอไม่ได้เป็นเขามีวิตามินเป็นเขามีวิตามินนัมีน้อยหรือว่า เป็นเข้าวผีนะั้นมีมาดังนั้นคนไปทำวิปตนานั้นจึงว่าบ่มีใจหนักแน่นจึงเป็นข้าวผีไปเมืด่ดังนั้นขันติพูดอีกอย่างหนึ่งนะคําสอนของคนนะั้นนะเป็นคําสอนของผีไปเมื่บ่มีวิตามินแก้ทุกบ่ได้อันแก้ทุกได้นี่แน่นเป็นเข้าคนนะ เป็นคําสอนของพระเจ้าอ่ะอันแก่ทุกบุได้น่ยเป็นข้าพี่เป็นของพี่ได้นั่นะฉะนั้นคนมันจึงมีหลายเรื่องหลายลถหลายซาตดดังนั้นเฮามาอยู่นี่ที่หนักแน่อยู่นี่ต้องพยายามจัดการกับสิ่งนี้ให้มันได้จริงๆถ้าหากว่ายังจัดการกับสิ่งนี้บุได้นั่นอย่างบบแมนผะเด็ยังเป็นผะบุได้ระนั้นเพิ้นหมายถึงพี่เด็หมายถึงว่า พระอรียบุคคลเนี่ยถ้าหากเป็นคารวะญาติโยมต้องเป็นพระเดียบุคคลพระโสดาบันยังมีครอบครัวผัวเมตามประเพณีโลกเนี่ยตำราหลักสูตรนักธรรมสันโธบอกไว้ยังสันนะไปอ่านเม่นก็นได้นีนะแล้วบัดนี้เฮาอย่างเลิกละบอดาที่เป็นพระเดียบุคคลได้ยังไงบัดนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เนรบัดนี้ก็เป็นพระอรียสง่งพระอรียส่์ พระเรียบุคคลนี่แล้วเราอ่านแล้วศึกษามาแล้วนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนผ่านมาแล้วแล้วกีดเลสประเทศนี่อยังเลิกละบอดายจีเป็นพระไดบ๊อทางพุทธศาสนาบอดาพระนั่นจึงมีความหมายว่าผู้ประเสริฐโบเบนพระอันนี้พระอันนี้นมันเป็นเครื่องหมายเครื่องแบบบุคคลที่ไปทํางานเผยแผ่สัจธรรมคําสอนของพระเจ้านั้น ให้มันมั่นคงอยู่บัดเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาอันนี้ไปเผยแพร่ได้เพิ่นเพิ่นอย่างเปี๊ยบอุปมาอุปมาวา่ากองมหากษัตริย์เพิ่นวา่าสมัยก่อนเพิ่นว่าเพิ่นสมมุติเป็นนิทานดังดีตีดังดีเมื่อตีกองขึ้นแล้วไผกมาลุลังทั้งเทมาฟังเพราะว่ากองมันดังนี่นานนานกองนั่นก็นเลยแตก ลื่นหนังมันขาดแตกแล้วก็ต้องหาเอาเนื้อไม้มาอุดมาสาบมายาเขาตีกระดังขึ้นมาตื้มเอาไว้นานๆอนกองก็แตกอีกตื้มเมื่อมันแตกกระหาเนื้อไม้อื้นมาอุดมายาเขาก็ตีดังไปเสียงมันก็บุกคือเก่าแล้วเสียงมันก็ลดไปลดไปลดไปลดไปจนที่บุกมีเสียงดังท่าท่าเป็นว่าเขาตีว่าไม่ทีกองเพลิคันถ้ามันแตกหลายๆเลย เนื้อไม้แท้ๆนั้นเลยโบมีเมื่อมันแตกมาพอพอแล้วแับ น, นี้ไปหาเนื้อไม้เก่านั้นโบายากมีแล้วมีแต่นเนื้อไม้ที่เอามาอุดเนื้อไม้ที่ไม่ไมเอามาอุดมาทราบเท่านั้นดังนั้นคําสอนของพระเจ้าจริงๆนั้นจึงว่ามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วกับเนื้อไม้ไม่เอามาอุดนั่นแหละท่นั้นคําสอนนั้นมันเป็นอันหนึ่งตัวปฏิบัตินี้ผมรับรองอันนี้ ตอนผลรับรองนี้ผมรับรองกับตาํารากับว่าได้ในหลักสูตรดัชธรรมสัจเอกนั้นว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานตีย่างนานเจ็ดปีติดต่อกับมนุกโศได้ให้เจริญสติเหมือนนุกโซได้คนว่าอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไวที่สุดหรือเลวเลวไวเนะมือหนึ่งถึงเจ็ดมือหรือสิบห้ามือ มีอเนกสรงสองประการนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตนินี้ถ้าหากว่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตนินี้นั้นต้องเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีในปำว่าตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดในรูปปัสนีพรมใกล้ๆกับประตูนิพพานในส่วนวันอันนั้นคําสอนในตาําราที่ผมรับรองนี้ผู้ที่มาจเจริญสติปัฏฐานสี่แบบนี้ แบบที่พลิกมือขึ้นคว่ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิบตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกคืนน้าไหลลงไปในลาคอนี้ให้มีความรู้สึกรู้เมื่อมีสติเข้าไปรู้ไปเห็นซอดรู้ส้นเห็นอยู่อย่างสีแลกจิตใจมันนึกมันคิดให้มีสติเข้าไปซอดรู้ส้นเห็นอย่างสี ย่างนานสามปีย่างนานสามปีย่างกลางปีหนึ่งย่างไวเร็วไว้ไวที่สุดนับตั้งแต่ ม, มือหนึ่งถึงเก้าสิบมือทำให้มันติดต้อเหมือนกับลูกโซ่ัินอ้าวโมว่าเป็นพระอรหันต์หรือพระสดาพระสกีทาคาพระอนาคานั้นบ่ตองวากาไดทุกนั้นต้องลดน้อยลงไปจริงๆหรือถึงกระมิดกระได้ รับรองอันนี้ผมเองรับรองดังนั้นผมจึงได้อล้าเดียวออกมาว่านี่คือว่าเสียสละสั์เพราะรักษาอวัยยวะคนมาเสียสละอวัยยวะนี้ออกไปเพราะรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพราะรักษาหรืออนุรักษ์เคนมาหรือรักษากะระว่าได้สัจธรรมคําสอนของพระเจ้าเอวัยวะผมยอมเสียสละชีวิตจริงๆ ได้ยี่สิบกว่าปีมานี่นะผมเสียสลดสู้มาอย่างสีเพราะว่าทุกคนมันอยู่ด้วยทุกบัณฑิติให้คนออกจากทุกแบบนี้ทุกอย่งไปอย่างมาอย่างมันอยู่ด้วยทุกพระพุทธสอนเรื่องทุกเมื่อเขาเห็นทุกแล้วเขาจะออกจากทุกได้จริงจริงลับหองลอยเปลือเซนฉะนั้นคนทุกคนเกิดมานี่มันอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกไปด้วยทุกมาด้วยทุก นั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกพัฒนาเาบาไหวเรื่องทุกเนี่ยนับบวรรอดเหมือนใบ ไ, ไม้ในป่าแต่เอีมาเป็นยารักษาโลกนั้นใบ ไ, ไมก้กบมือเดียวหนึงเท่านั้นอย่างทีวาเน ะ, ะ่ยกรบวว่าแต่กระได้เพราะว่าเมื่อหนี่มีขมสว่างได้แล้วเนี่ยแต่หาร้อยอดว่ามาเพื่อว่าจิตเตือนใจเรื่องการที่จะมาไล่ทุกนี่ได้นั้นต้องเรียกรองเอาสตินี่มากำหนดรูนี้ เพรานัทุกประเภทนั้นจะหายไปโดยไม่ต้องไปขอลองอ้อนวอนจากใครที่ไหนเลือกงามงามดีส่วยไม่ได้พี่เทวดาส่วยไม่ได้ส่วยไม่ได้ทั้งหมดเลยทีเดียวอันที่จะช่วยได้คือตัวสติกำหนดรูนี่แหละจึงจะส่วยได้จริงๆเพิ่งตัวเองจริงๆเรื่องนี้หลับหลองถ้าปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยอ้าวผู้มีเงินเดือน เอาเงินเดืนมาตั้งกันไว้ใส่การพนันกันไว้ก็ได้ผู้ที่มีความรู้อย่างในกระดร้างผมเองรับรองอันนี้โบได้ไปขอลองอ้อนวอนพระพุทธเจ้าหมาซอยรับรองเลนผมรับรองแทนพระพุทธเจ้าพอพระเจ้าตายไปแล้วหมดชีวิตไปแล้วนิพพานไปแล้วดับจิตไปแล้วก็เป่นเป็นวางโบมีผูเ้เดวยวตัวพระเจ้านี่ยอยู่นําคนทุกคนดังนั้นหาว่ากัน ฟับงบทสุดท้ายนียนะทําลายพุทธศาสนาบาปหนักเป็นอนันตปริยกรรมเนี่ยเอาว่าเนี่ยโบมีนไปทําลายวัดวาอาลามโบสถ์วิหารอันนั้นอันนั้นมันเรื่องหนึ่งมันเรื่องสมมุติตอนทําลายพุทธศาสนาคือฆ่าคนนี่แหละด่าคนฆ่าคนด่าคนตีคนนี่แหละบาปหนักที่สุด พุทธศาสนาคือตัวคนท่านนะ่ะปัญญาพุทธะมันมีอยู่ในคนทนะ่านน่ะแล้วเราหอเราบ่เข้าใจรู้จักสมมุติมันอยู่ในเม็ดพืชอันนั้นพุน่นมันจึงบมแตกออกมาข้างนอกเมื่อมันแตกออกมาข้างนอกแล้วมันสามารถมองเห็นอันนี้เป็นเอื้อนตาทิพย์เอื้อนหูทิพย์โบเมนตาที่ไปมองเห็นตับไตไส้ปอดของคนนั้นคนนี้อ น, นันต์เป็นเรื่องหนึนวะ่ะ หูทิพย์บุแม่คนว้ายุซีอื่นซิ่ไก่พวกนั้นได้ยินเอาโลดนั่นะมันบุแมนอันนี้มันเรื่องหนึ่งนะวะตาทิพย์หูทิพย์นั่นมันพระพุทธเจ้าสอนว่าตาทิพย์คือเห็นคนเดินไปเดินมาคนมีคุณค่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะหรือเห็นจิตใจตัวเองนี่อีกพิมเท่านึงนี่นหูทิพย์หมายถึงคำพูดของพวกนั้นมันพูดเป็นธรรมะหรือมันพูดเป็นอย่างมันหูวจากอันนี้พี่ได้ตาทิพย์หูทิพย์ปะ ดังนั้นผมที่เข้ามาประชุมกันเมื่อนี้ผมเองเมื่อนี้เป็นคนวา่าพอปิดท้ายรายการของพวกเขาได้นาเอาเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาแล้วเขาก็จดจับเอาไว้เป็นภาสนะที่ดีลองรับเอาไว้ไปบ้านเขาสอนลูกสอนหลานสอนหลายเทือว่าหลายเทือ ให้เขาเลิกเขาละได้จากสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายเขาและเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมต่อประเทศศาสตร์ศาสนาอของเขานี้ให้เขาเลิกเขาละให้เป็นคนดีเป็นลัทธิ์ที่ดีเป็นพ ล, ลเมืองที่ดีเป็นคนที่ดีต่อศาสตรต่ศาสนาให้ได้จริงๆที่ผมได้ให้ ขอคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจเมื่อนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วบัด น, นี้ท้ายที่สุดนี้ผมอ้างขออ้างอิงเอาคุณของพระเจ้าและพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระรลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของเราอยู่ทุกขณะทุกวาระจิตให้เราตื่นตัวอยู่เสมอให้ทุกคนได้พบได้เห็นสิ่งที่ เป็นทุกข์นี่แหละออกจากทุกข์ให้ได้จงทุกข์ทุกคนเธออาวะ น, นิะพร้อมกันทูกข์เขาแล้วครับ